ท่านฟังคะท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสังสีสนทนานะคะนี่ก็เป็นช่วงที่2คะ่ะเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ฟังประสูตรกันไปแล้วพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าท่านนั่งสมาธิได้พอเหมาะพอควรแล้วก็นั่งยาวต่อไปเลยจนจบรายการเลยก็ได้นะคะทิฉันจะพาท่านมาพบกับพระภัยบุตรอภิปุลโนจากวัดป่าดอนายโซอุดรธานีต่อจากนี้ไปเลยคะ่ะกลับมาพิธี ก, การกันท่านคะเชิญพ า, าน ถ้าเป็นบุญค่าที่วัดเดือนถัดไปนี่จะจัดปฏิบัติธรรมช่วงวไหนถึงวันไหนคะในี้คือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแล้วจะเข้าสู่การปิดเทอมในช่วงการปิดเทอมห่วงของการปิดเทอมเนี่ยเราจะมีการลกเล่นอยู่สามรอบด้วยกันรอบรอบแรกก็คือวันที่สามสิบเอ็ดมีนาถึงวันที่แปดเมษาอันนี้เต็มแล้วอทีอ่จะถึงเนี่ยเต็มแล้วถัดไปก็สิบสี่ถึงยี่สิบสอง อันนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นยี่สิบแปดนะถึงวันที่หกพฤษภายี่สิบแปดเมษาถึงหกพฤษภายี่สเมษาถึงหกพฤษภาค่ะเดี๋ยวโน้ตไว้รู้สึกว่ามีโยบางคนฝากบอกดิฉันให้กราบเรียนท่านในช่วงที่ท่านเต็มแล้วเนี่ยแต่ละดิฉันกราบเรียนท่านเช้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยอมาสนทนาหลังใหม่ก็แล้วกันเพราะเวลาของเรานี้ หลายท่านคอยนะคะว่าอยากทราบเรื่องพระพุทธเจ้าจังที่จะมาเฉลิมฉลองพุทธชยันตีให้รู้เรื่องท่านมากขึ้นเนี่ย ว, วันนี้ท่านเพบุญจะเสนอเรื่องอะไรคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของที่พระเจ้าเคยเกิดเป็นชาติต่างๆ อ, อีกอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากแ ค, คือตอนนั้นพระนนทเนี่ยมาพูดกับพระเจ้าว่วาโอ้ทำไมพระเจ้ามาปรินิพานเมือง หัวเมืองกิ่งเมืองดอนเป็นเมืองบ้านนอกเป็นเมืองชนบททำไมไม่ผลิสพันในหัวเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยนั่นคือพูดถึงเมืองกุสินาราแต่พระเจ้าก็เล่าให้พระอนุลฟังตอนนั้นก็<ช>ก็แบบน่วมเต็มที่นะพระเจ้าของเราอะ่ะคือคื อ, คอทั้งเห<ช>นื่อยทั้งนะเดินทางไกลทั้งเจ็บท้องด้วยทั้งเรี่วแรงก็อ่อนแรงแต่ก็ยังยังอธิบายให้ท่านพระอนุลฟังเ<ช>นื่องจากว่าความที่พระองค์เวทนาไม่มีเราเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์แบบประเภทที่ อนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุคือเวทนาดับไปแปลว่าอะไรท่านคะเวทนาดับไปเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์อ๋อค่ะแต่ผัสสะคือกับร่างกายจะเป็นยังไงถ้าไม่รู้สึกอ่าใช่ใชแ่แต่ว่ากา ร, รส่งสัญญาณการขยับร่างกายจะมีความลําบากบ้างแน่นอนอก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าความที่เมืองเนี้ยเมืองกุจินาราเนี่ยเมื่อก่อนชื่อเมืองกุสาวดี แล้วก็มีพระเจ้ามีพระกษัตริย์มหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่ามหาสุทัศน์นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเมืองนี้ก็เป็นราชธานีที่มีจักแก้วมีอะไรทรัพย์สินทั้งหมด7อย่างเนี่ยนะแล้วก็โหมีเป็นเมืองที่มั่งคั่งมากนะแล้วก็พระองค์นี้เป็นเจ้าเจ้าเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะ่ะอำนวยการให้มีการให้ทานตลอดสามวันละนะสามื้อสามวันละสามครั้งนะมีการจุดประทัดมีการ เ, าเขาเรียกว่า เป็นเมืองหัวเมืองที่ใหญ่มากนะจะเปรียบเปรียบกับในโลกสมัยนี้ก็เป็ น, นหมหานครนิวยอร์กนี้เลยนะเป็นเมืองที่ไม่เคยมีไฟดับนะทุกคนมีเป็นเมืองที่มีคนอยู่เยอะมากนะไม่มีใครไม่มีปัญหาทุกคนจะมาไหนก็ต้องมาผ่านที่นี่ก่อนมีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเยอะมากมีผู้คนผ่านไปผ่านมามีอะไรต่างๆเนี้ยนะแล้วก็พูดถึงว่าพระองค์เนี่ยก็คือมหาสุทัศน์ในครั้งนั้น <Okay. S 2> นะแล้วเรื่องนี้พอคนใครที่เคยไปเมืองกุสินารา จ, จะเห็นชัดมากนะคุณโยมติวว่า <Okay. S 2> โอ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเมืองบ้านนอกเมืองหนึ่งอยู่ในประเทศอินเดียมี <Okay. S 2> ความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันนะแต่ว่าสมัยก่อนนี่โอ้โหมีเป็นเมืองที่มั่งคั่งเป็นมหาคนครขนาดนี้เลยเหรอ <Okay. S 2> นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทสมเด็จพระเทพก็ได้เคยเทคโนตเอาไว้ในโน้ตของท่านอยู่เหมือนกันนะอค่ะ okay. ะะว่ามันเห็นความแตกต่างใช่มันไม่เที่ยงจริงๆค่ะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแล้นะพวพระเจ้าก็ได้ทิ้งท้ายไว้ไว้คําหนึ่งบอกว่าแผ่นดินตรงเนี้ยที่ตรงเนี้เมืองกุสินน า, าตรงเนี้ย ต, ตรงที่พระองค์ปรินิพานเนี่ยพระองค์ได้เคยตายที่นี่มาแล้วเจ็ดครั้งค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เจ็ดจะเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์อ๋อเหรอคะอแหมฟังแล้วซึ้งไหมคเคยตายมาจุดเนี้ยจุดเนี้เคยตายมาแล้ว นะเจ็ดครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เจ็แล้วพอละจบละสาหรับเราอค่ะโอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เพิ่มที่ฉันไม่เคยได้ยินนะค่ะอืมอืมอืมค่ะท่านคะทีนี้พอพูดมาถึงตอนนี้ที่ฉันมีข้อสงสัยเลยท่านผ่านคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินมาว่าตราสเอาไว้กับพระอานนท์ว่าสถานที่ที่เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยควรแก้ ควรแก่การไปไปดูวันะคะไปเยือนเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชอันนี้ถ้าพูดโดยสรุปคือสี่สังเวชนียสถานหนึ่งในนั้นก็มีกุศินาดาอย่างนี้ด้วยแล้วบอกว่าถ้าไปแล้วเกิดความสลดสังเวชใช่ไหมคะอมพอตายไปเนี่ยจะไปสวรรค์นเนี่ยคะ่ะสมมุติว่าอ่ไปถึงที่นู่นแล้วแล้วไปเห็นว่าโอ้หนี่เหรอเมื่อก่อนนี่ในประวัติเนี่ยเคยอู้ฟู่นะอืวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยเกิดความรู้สึกว่า นี่มันไม่เที่ยงจริ ง, รงนะเป็นธรรมะของพระพุทธองค์เลยอย่างนี้ถือว่าเกิดสลดสังเวชแล้วจะไปสวรรค์ได้เลยหรือเปล่าคะ ส, สำเร็จประโยชน์แล้วนะ่ะวารียาทีนั้นไปสวรรค์ น, นี่ไม่ใช่สวรรค์ธรรมดาเป็นชั้นพรหมด้วยเพราะอะไรเพราะคุณเบื่อในในกามขนาดนั้นคือถ้าคุณละกามได้เบื่อในในกามโอ้กามฉันไม่เอาโหมันแยกขนาดนี้เลยหรอไม่เหลืออะไรนะพูดเลยนู่นคุณเป็นพรหมแน่นอนอย่างน้อยขั้นที่หนึ่งอ๋ อ, อคื อ, อไม่ใช่ไปเห็นแบบสายตานะักท่องเที่ยวธรรมดาว่า โอ้เนี่ยหรอเมื่อก่อนคือู้ฟู่แบบนั้นเพราะว่าถ้าเราอ่านประวัติไปเนี่ยเราก็ทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ที่ฉันสงสยยัยว่าสวรรค์มันไปง่ายแค่เรานึกออกแค่นี้เลยเหรอคะใช่ <c oughs> จริงเพื่อนเดี๋ยวหลายคนตีตัวไป็นกุศินาราเลยนะ่นเนี่ยเออคือคุณคุณอยู่ที่บ้านคุณก็ได้นะฟังรายการวิทยุขณะ น, นี้แล้วคุณรู้สึกสังเวชไปตามแค่นี้คุณก็เป็นเห็นปัจจัยในการเป็นใบสวรรค์แล้ว <c oughs> เป็นใบเพื่อสวรร <c oughs> ค์อ่า ทีนี้ว่าเราต้องคอยที่จะสามารถควบคุมจิตของเราได้นะแต่ว่าในวันวันหนึ่งเอาในปีปีหนึ่งนะคุณอยู่ในมัคมากหรือน้อยในขณะที่คุณฟังทำอยู่นี่คุณอยู่ในมัคนะคุณอยู่ในมัคนะคุณมีจิตสบายมีปริรณาถึงความสังเวชไปในตลอดที่เราทำรายการมาวันสิบนาทีเนี่ยอันนี้คุณอยู่ในมัคละแต่สมมุติตอนบ่ายตอนเที่ยงคุณไปในที่ทํางานก็ด่ากันคุณก็ด่าเขาด้วยนันคุณออกนอกมัคแล้วฉะนั้นถามว่าคุณอยู่ในมัคตลอดไหมคุณอยู่ในมัคตลอดหรือเปล่า นะในชีวิตของคุณถ้าคุณอยู่ในมาร์กตลอดนะอย่างน้อยคุณยังมีความมั่นใจว่าคุณไปสวรรค์เป็นที่ไปแน่นอนนะแล้วก็ถ้าดีขึ้นมาโอ้โหแจ็คพอตแตกคุณเป็นโสดบัตคุณเดินลัดถึงท่านเส้นทางถึงเมลสโตนนั้นสักอันหนึ่งแดนหนึ่งถึงละ ก, กิโลเมตรที่สําคัญนั่นคือความเป็นโสดบัตเป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ย น, นะ<อ>นะก็จะเป็นการที่ดีดีดีมากอ๋องั้นก็เท่ากับว่าไม่ใช่ว่าเห็นแค่นั้นแล้วจบแค่นั้นอืแต่มันจะต้องมีความต่อเนื่อง อถ้าจะพูดถึงเรื่องความเป็นไปสวรรค์นะคุณยมติ๋วเราไม่ต้องขออะไรมากก็ได้ไม่ต้องยึดถึงเห็นความแบบเอไม่เที่ยงอะไรพวกนี้เราแค่เราทํำศีลทานให้ทานรักษาศีลแค่นี้พื้นๆคุณไปไปเพื่อสวรรค์เลยค่ะนะคะเพราะว่าคือมันก็อยู่ที่ว่าสูงมากหรือสูงน้อยนะสวรรค์ก็มีหลายขั้นของเขาค่ะแต่ว่าถ้าจะไปจริงๆต้องอยู่ใน มากคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ใช่ใช่ไหมค ะ, ะมันมีอีกรายละเอียดอีกนิดนึงตรงที่ว่าเรียงอยูเรื่องความเป็นไปในในสวรรค์อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เรายัางไม่รู้นะเรื่องนี้กาละสุตตาอมาดนะที่เป็นเพื่อนของพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่เกิดพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอมาตนะอยู่ในราชสกุลของพระองค์เนี่ยก็มาพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเออให้ทานนะเธอจะไปสวรรคนะ์อมตะคนนี้บอกโอ้สวรรค์เหรอ อันนี้ฉันยังพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ที่บอกก่อนก่อนหน้านี้เชื่อว่าการให้ทานแล้วคุนอื่นจะเป็นที่รักของคนอื่นให้ทานแล้ชื่อเสียงจะกระชอนกระไซไปพวกนี้ฉันเห็นได้แต่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามฉันก็จะทําทานละ่นะเพื่อที่จะให้รู้รอบเหมือนอย่างที่พระชาตรัสมาค่ะเพราะฉะนัะ้นถ้าเราทําทานนะอย่างน้อยคุณมีความสุขในวินาทีนี้โอเคแล้วสบายใจเลยค่ะนะคะมันได้เดี๋ยวนั้นอืมใช่ท่านคะมีคําถาม ของท่านฝั่งที่ส่งไปที่เผียวธรรมะค่ะทีนี้ชื่อคุณทัฐทพนนะคะอืมใช่ทัฐทพนตถาพนตถาพนออตถาราคาออดิฉันเห็นพโอค่ะก็บอกว่าขอกลับเรียนถามในประเด็นที่ท่านได้พูดในรายการของดิฉันเนี่ยนะคะอืมนี่เมื่อปีที่แล้วนะรายการเนี่ยท่านเปรียบ คูคลองอันนี้สงสัยไปดูในเพียวธรรมะของท่านหรือเลักคะใช่เป็นอะไรกับฟังย้อนหลังอ๋อค่ะบอกว่าท่านเปรียบเทียบคูคลองเสาระเนียดและหัวเรือเครื่องยนต์กับสติสมาธิปัญญาและอื่นๆไพ่กราบเรียนถามท่านว่าพระพุทธเจ้าได้มีการเอาศีลเปรียบเทียบกับตัวอย่างดังกล่าวบ้างหรือเปล่าครับในความเห็นอ๋อค่ะเคยเปรียบเทียบอยู่ศีลนะเคยเปรียบเทียบกับพื้นฐานที่ที่แน่นที่มั่นคง ค่ะถ้าเรามีสีมันคงเรายืนอยู่บนพื้นที่มันคงก็อันนี้แหละคือตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องสีอ๋อค่ะทีนี้คุณตัดถาพลเนี่ยนะคะบอกว่าในความเห็นของท่านเนี่ยว่าสีน่าจะเปรียบได้กับความสมัครีและระเบียบวินัยของกองพลหรือในค่ายค่ะใช่ส่วนในเรื่องเรือเนี่ยสีน่าจะเปรียบได้กับเรือที่แข็งแรงไม่มีรอยรั่ว ข อ, อท่านเมตตาช่วยอถาธิบายด้วยค่ะอะอะฟังแล้วก็ก็เข้าถ้าเหมือนกันเนาะสีนี่จุดประสงค์พระเจ้าก็คือเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจใช่ไหมแล้วก็อไม่ว่ากองพลจะอยู่อะไรก็จะต้องอยู่บนบนพื้นดิ น, นาจะหนีไปจากพื้นดินไม่ได้เพราะฉะนั้นสีนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าจะเปรียบกับเรือใช่ไหมเรือที่ไม่มีรอยรั่วรอยแตกก็ก็ใช้ได้เหมือนกัน คืออย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาหาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะอะ อ, อันนี้ก็เป็นความหมาของมัตา ม, มามค่ะถ้าจะปิดรอยรั่วขออีกสักครั้งได้ไหมคะตามพุทธวจนะที่ท่านว่าศีลจึงเปลียนการงดะดีคะปิดรอยรั่วเหรอสีลก็คือการที่เราอยู่ในสีนเนี่ยก็ชื่อว่าปิดรอยรั่วละไม่เข้าใจแค่คือดิฉันจะกลับเรียนถามว่าอคําจะแปลความของศีลมากกว่าค่ะถ้าตามพุทธวจนะเนี่ยค่ะสีลคือความปกติสีนคือความเป็นปกติ นะมีความเป็นปกติอยู่ห้าอย่างสําหรับผู้ที่บริโภคการเป็นคารวาสค่ะแล้วก็ศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจค่นะศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจฟังอีกทีหนึ่งนะคือถ้าเราจะใช้ศีลเป็นการเพ่งโทษว่าคนนึยคนนั้นทําไม่ถูกคนนี้ทำไม่ถูกอันนี้คุณผิดจุดประสงค์ของศีลละค่นะนะคะท่านคะทีนี <laughs> พ้พูดถึงผู้ที่รักษาศีลท่านบอกว่า mm hmm. คือความเป็นปกติเนี่ยออื mm hmm. แต่ที่ท่านสังเกตนะครับมนุษย์เนี่ย พอพูดถึงปกติจะรู้สึกมหมโซโซขอประทานโทษนะคะใช้ภาษาอังกฤษมันงั้นๆน่ะมันมเป็นปกติไงมนุษย์เนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองอ่ะถ้าจะให้มันดีเนี่ยต้องได้อะไรที่มันพิเศษเราจึงจะสังเกตว่าการเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะพึงพอใจในสิ่งที่ผิดมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนๆเราได้รับบริการพิเศษเป็นต้นนะค ะ, ะพิเศษก็ก็ดีนะแต่คือคุณอย่าผิดปกติ ค, <ฆ>คือผิดปกติอย่างสมมติอะไรที่มันอย่างสมมติพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางตะวันออกตกทางทิศตะมันตกใช่ไหมวันไหนพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอ้เรื่นผิดปกติละหรือมีจันทรุปราคาสุริยุปราคาพวกนี้วันนั้นผิดปะกะติเพราะฉะนั้นคือเราเราเราให้ดูความเป็นปะกะติดีกว่าเข้าใจไหมคือปะกะติทําซ้ําๆเดิมๆนี่แหละ เ, เหมือนเดิมปะกะติเหมือนเดิมอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าพิเศษคุณพิเศษได้ทุกวันไหมล่ะถ้าคุณพิเศษได<ฆ>้ทุกวันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีของคุณ ตแต่ทีก่กําลังจะจะจ ะ, จะตีความดีฉันขอทําแบบคุณตถาพนหรือตถาพอบ้างาว่าดเรนก็อยากจะบอกว่าศีลในขณะที่พระพุทธองค์ให้ความหมายว่าศีลคือความปกติศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจเนี่ยเรนเข้าใจว่าอันนี้พิเศษแล้วนะคะอืมใช่พิเศษแล้ว พ, พิเศษจริงๆเพราะเราจะไม่มีความร้อนใจเราจะมีความไม่ร้อนใจนะ น, นี่พิเศษแล้ว แล้วคือคือเราทำให้เหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นวันที่พิเศษของเราทุกๆวันเลยนะมีคนเขาอันนี้เรื่องทางโลกแล้วนะคะดิฉันปัดออกมาจากเรื่องของคาสอนของพระศ า, าสดาก็พูดกันถึงเรื่องทำง่ายทำยากในการที่จะปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่ซึ่งมันเคยเป็นกิจจวัตรที่ทำอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะมก็มีคนบอกว่า ถ้าทําได้ครบ20วันสมมติว่าตื่นตีสี่อย่างที่ท่านบอกว่าตื่นตีสนะี่น่ะโอกาสดีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยะคะใช่มันตื่นด้วยความยากลําเค็นยังไงถ้าทําได้ถึง20วันติดต่อกันแล้วเขาบอกว่ามันจะติดเป็นพฤติกรรมอืมท่านเห็นยังไงคะอันนี้ถามท่านเพรบูนค่ะอ๋ออาจมาเห็นว่าไอ้เวลาตรงนี้ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอย่าง <c oughs> คระอย่างเงี้ยกว่าจะฝึกให้เป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่มีความก้นเบาลุกขึ้นยืนมีความสังเกตอะไรบางทีเป็นปี <c oughs> อางที่เป็นปีไม่ใช่แค่ยีิบ็ดวันบางคนอาจจะฝึกได้เร็วบางคนอาจจะฝึกได้ช้านะนี่พระเจ้า ก, ก็พูดถึงว่าความที่อินทรีย์ของบุคคลนั้นนะออดีขนาดไหนถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ฝึกได้เร็วอินทรีย์บางคนมันหนาบางคนไม่รู้เรื่องนั่นก็ฝึกได้ช้าอ๋อค่ะแต่ว่าพระพุทธองค์หมายความว่าให้ฝึกไปเถอะใช่ใช่ถ้ามันจะต้องทําให้มันเกินยี่สิบวันแล้วเราถึงจะได้เราก็ทําเกินยี่สิบวันถ้ามันจะต้องทําสักพันวันแล้วมันจะได้เราทํำพันวัน อ๋อคะอ่ะก็ดีนะคะท่านคะงั้นก็สรุปเอาเป็นว่าถ้าอยากมีนิสัยที่ดีก็ต้องสร้างนิสยัยถูกไหมคะใช่นะคะ <ทำ S 2> แต่ว่าวันนี้เวลาของรายการคงจะต้องลาอืม ไปก่อนนะคะก็ต้องกราบนมัส ก, การท่านเพียบูนเป็นอย่างยิ่งเลยนะค ะ, นะระกราบนมัส ก, การค่ะ <Okay. S 2> ท่านฝั่งที่เคารพคะแล้วนั่นก็เป็นพระอาจารย์เพบูนบพิปุญโนนะคะจากวัดป่าดอนไฮโซดอธานีค่ะท่านก็เมตตากับเราเสมอนะคะที่จะมาให้ธรรมะผ่านทางรายการสรสนีสนานาซึ่งมีดิฉันสันสนิษฐานะคงเป็นผู้ ด, ดําเนินรายการนี่แหละนะคะติดตามท่านได้ทางเพียวธรรมะคอมหนึด้วยและส่วนรายการของเราตีห้านะคะเรามาพบกันวันนี้ อย่าลืมสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาพุทธวจนะเนี่ยส่งมาที่022690006ท่านมีโอกาสเป็นหนึ่งในสามของแต่ละวันนะคะถ้าโทรมาเร็วคะ่ะวันนี้เราก็กราบในวส ก, การขอบพระคุณผู้ที่ให้หนังสือคือพระอาจารย์คริปิสโธทิพโลแล้วก็ลาท่านฟังทุกท่านไปเพื่อพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ